น, นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัน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 นอบนำสู่การศึกษาส0บนิ้วก้มลงวันทาสถาปัตย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโรคทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นี่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาการปรับคอรมอกันในหลายตําแหน่งนะครับนะพอมีคอรมอออกไปนะครับนะอยู่หท่านนะครับนะมีการลาออกไปก่อน แล้วเพราะฉะนนี้ก็ในส่วนนี้นี่ก็นะยกต้นรีก็กําลังพิจารณาดูนะผู้ไรชื่อก็มีข่าวตามสื่อมวลชนนะครับว่ามีคนนั้นคนนี้จะมารัฐมนตรีโดยเฉพาะที่จับตามองก็คงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเออกระทรวงแรงงานกับกระทรวงพลังงานแหนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นกระทรวงที่มีมีงบประมาณสูงนะครับนะในส่วนของ ฝ่ายการเมืองก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีใน2กระทรวงนี้แหละครับนะครับเพราะนั้น ก, ก็คงจะต้องดูนะครับว่าว่าใครจะจะมามาเปลีนน่ยนรัฐมนตรีนะดูรวมทั้งกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็เป็นกระทรวงที่สําคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีข่าววนะ่านายงตรีก็จะมีเอาคนนอกเข้ามานะดูแลกระทรวงการคลังนะส่วน กระทรวงอื่นๆนี่ก็คงจะต้องดูนะครับนะพลังงานนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังจับจ้องกันอยู่นะครับแล้วก็มีกระทรวงแรงงานกันกันด้วยนะครับพลเอกประวิตยเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ยี่ิบสอกรกฎาคมพลเอกประวิตย์นะฮะ ร, รองนายงตรีก็บอกว่าสัดส่วนน้ำตีของพักพลังประชารัฐนี่ก็ตอนนี้นี่ก็เสนอไปให้นายงตรีพิจารณานะครับนะก็ ตรงนี้ก็ต้องรอนะครับว่านายงุนตรีจะพิจารณาจะคัดเลือกใครนะครับก็เป็นอํานาจของนายกงุนตรีส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะควบตําแหน่งงุนตรีมหาไทยรองนายกประวิตย์ก็ปฏิเสธนะครับนะ ก, ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนนายงุนตรีให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล น, นะครับหลังจากนั้นนะก็บอกว่าได้ จัดทำโผคอรมอรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นายงตรีก็บอกว่ า, าทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องรอว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสอบคนะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 นะ ในแพทย์ทวีศินวิษณุโยธินมีการแถลงหลังจากมีการประชุมสบคชุดใหญ่ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานก็บอกว่าทางประธานก็ขอให้ดูแลพื้นที่ระยองนะครับที่มีปัญหาแล้วก็กุงเทพให้รับมือสถานการณ์ให้ดีแล้วก็ในส่วนนี้ในส่วนของสอบคชุดใหญ่ก็มีมติขยายต่ออายุพหลกกฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนนะครับนะเพื่อเพื่อที่จะ ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคนะก็บอกว่าอย่างนั้นและก็บอกว่าไม่ไม่ได้มาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมนะก็เป็นถ้อยแถลงนะครับของนายแพทย์ทวีสินนะครเกี่ยวกับเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพหุกรชุกเฉินนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหมูเนี่ยค่อนข้างที่จะแพง นะครับนะซึ่งตรงดีนี่ในส่วนของกรมการค้าภายในจะแก้ไขกันกันอย่างไรนะครับนายวิชัยโภชน ก, กิจอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าพยายามหาทางแก้ไขปัญหาราคาหมูแพงนะครับนะซึ่งก็ได้หาเลือกับสมาคมผู้เลี้ยงหมูแห่งชาตินะห้างค้าปีกหลายใหญ่นะครับเพื่อที่จะดูแลนะราคาหมูไม่ให้แพงโดย มีการตกลงกันบอกว่าอาจจะจำหน่ายหมูมีชีวิตกิโลกรัมละไม่เกิน80บาทเพื่อให้ราคาหมูเนื้อแดงหน้าเขียงกิโลกรัมละไม่เกิน150บาทแล้วก็เนื้อสันก็ไม่เกินกิโลละร้อบาทนะแต่ว่าหากว่ า, าราคาเกินไปจากที่ตกลงกันไว้ก็อาจจะต้องมีการเข้มงวดนะอาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูก็ต้องควบคุมนะครับราคา หมูเพราะเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับนะการทําอาหารเพราะพ่ อ, พอคแม่ค้าไปซื้อหมูซื้อหมูมานะครับมามาปรุงอาหารก็จะต้องขึ้นขึ้นราคานะก็เป็นทอดๆอดนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงคงจะต้องดูนะราคาที่จะปรับประชาชนทั่วไปจะอาจจะ ก, กระทบแต่ว่าอาจจะส่งผลบวกกับเกษตรก ร, กรผู้เลี้ยงหมูนะครับเพราะราคาหมู อาจจะขายได้สูงขึ้นนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงต้องดูกันทั้งวงจรเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งซึ่งมีหลายตัวนี่สินค้าราคาก็ตกต่ําลงอย่างเช่นปาล์มมันมันนี่ก็ราคาตกต่ําก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปเป็นเป็นเรื่องเลื่องไปนะครับนะมารับฟังเพลงก่อนนะครับก่อนที่เราจะพูดพาคุยกันต่อไปครับ บอกไว้ไว้ที่ลาคนเดิมื่อน้นคงเจอกันใหม่ยังคิดถึงแกงหน่อไม้ใส่กุชจี่น้อยพี่เมือเนื้อท้อก่อนจะจากไกลภาพน้องสามาีตมิดตาบ่ลืมคำว่าอันแสงดูดงบ่ให้พี่ลืม เปลี่ยนใจจากน้องสิลืมจังได้วัวใจพี่ทางสีห้องยกให้นางเดียวพรอบรอน้องจงอย่าได้อาวองด อ, อ, อ, อกกากะเหลาบ้านเช้าเมื่อกลางเดือนสิจำบอลืมเลยแม่คนดีวันน้องกับพี่ ตกใจอ้อนซอสัญญาฝังมูว่าเฮาหาันแน่นองวันนี้พี่ต้องจากจอหักใจอำลาไปหาเงินฟอกโบกมือยอยยยตาน้องส้ำหอยฝากความอาไลดังเหมืองมีความนอกใจสะท้อนสวงใน ดอาวนี่ลาคนเดิลาดันแม่คนตางอหลับตาสวงที่สะท้อพ่อพรรั พน้องําำอ่อฝากความอาลัยดังเหมืองมีความโอกใจสะท้อน่วงในให้ห่วงอาวอที่ลาคนเดิ้ลลาเดิลเด้ลแม่คนตางอนหลับตาสวงที่สะท้อนพ่อพ่อรับผมแม่ พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่สงนะครับในช่วงนี้นี่เรามาตามดูเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกข้าวของของไทยเราเนี่ยที่ที่บอกว่าของเรานี่การส่งออกที่ตกต่ําลงนะครับนะเพราะว่าค่าเงินบาทเราเราแข็งตัวทําให้ข้าวของไทยเราเนี่แพงกว่า เวียดนามนะที่ไปขายอย่างตลาดโลกนะซึ่งตรงตรงนี้นะี่ผู้ซื้อเขาก็จะเลือกซื้อข้าวราคาที่ถูกกว่านะเพราะงนี้เราคงจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าข้าวเนี่เป็นเป็นพืชที่เป็นพืชหลักที่เราเพาะปลูกกันนะครับซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยบอกว่าการส่งออกข้าวครึ่งปีแรกนี่ติดลบประมาณ 32% นะจากหลายปัญหาทั้ง ค่าเงินบาทแข็งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอทำให้ลูกค้านี่หันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งนะครับแต่แล้วตอนนี้นี่ข้าวของจีนการส่งออกของจีนนี่กำลังที่จะมาแรงนะครับนะซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับที่4นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ปรับตัวเนี่ยอาจจะทำให้ไทยเรานี้หลุดจากาผู้ค้าข้าวรายใหญ่หนึ่งในสามนะครับ ในของโลกนะเพราะเราคงต้องแก้ไขร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์ส่งออกของข้าวไทยใ น, ในช่วงครึ่งปีแรกปี2063เดือนมกราคมถึงมิถุนายนไทยเราส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.14 ล้านตันลดลง32เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของของปีก่อน นะคือปีปีที่แล้วนี่ส่งออกได้ 4.67 ล้านปีนี้ส่งได้ 3.14 นะครับนะซึ่งก็มีมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 12% ซนะซึ่งอาจจะเป็นาราคาเงินบาทค่าเงินบาทแข็งด้วยแล้วกผลจากภัยแล้งนะนะทำให้ข้าวเราเนี่ยราคาสูงนะแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเวียดนาม นะแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด19โควิด19เนี่ยทำให้กำลังซื้อของต่างประเทศลดลงด้วยนะครับนะลดการนำเข้านะแล้วรวมทั้งค่าเงินบาทของเราก็แข็งตัวข้าวไทยเราราคาแพงกว่าคู่แข่งนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงคงคงต้องต้องปรปับปรุงให้ดีขึ้นนะครับนะ ผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของเราในอาเซียนก็ได้แก่ฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนี่ก็หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้นนี่จากการเปิดเผยของนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวนะครับนะไปซื้อจากเวียดนามนะแล้วเขาก็ตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตพันุ์ข้าวที่ตอบสนองต่อความต้องการของของตลาดนะครับเพราะฉะในตรงนี้นี่คงจะต้อง มีการปรับปรุงนะครับนะจะต้องประสานงานกันนะครับว่าอาจจะทำอย่างไรนะครับนะที่จะแก้ปัญหาข้าวรวมทั้งจีนเนี่ยนะครับเคยเป็นนะผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของโลกนะตอนนี้ก็สามารถที่จะผลิตข้าวได้พอเพียงกับความนะต้องการของประชาชนแล้วก็เริ่มที่จะส่งออกไปนะครับนะไปโดยเฉพาะเป้าหมายของจีนส่งไปที่แอฟริกาใต้นะที่ทวีปแอฟริกา นะซึ่งตรงนี้นี่ก็ทําให้แย่งตลาดข้าวของไทยเราเพราะไทยเรานี่ก็เคยขายได้มากในในแอฟริกานะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงะจะต้องปรับปรุงแหะครับนะโดยทางสมาคมเสนอว่าเราจะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มนะซึ่งผลผลิตต่อต่อไร่เนี่ยก็จะไม่สูงนะ นะพราะอในตรงนี้นี่เราจะมาเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับ เ, รเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ด้วยอะไรต่างๆนะครับเพราะในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูสมาคมนี่อาจจะต้องประสานกันในส่วนของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะมาส่งเสริมประชาชนนะครับในการผลิตข้าวที่ตรงกับความต้องการของของของตลาดนะครับนะเป็นหลักนะเพราะไทยเราเนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่า ส่วนใหญ่กเกษตรกรก็ยังผลิตข้าวกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้แม้ว่าจะมีพืชอื่นๆที่ทเริ่มที่จะนำเอามาปลูกนะแล้วก็มีรายได้สูงอย่างเช่นตอนนี้นี่คือกระแสมาแรงก็คืออินทผลัมนะที่มีการปลูกมีสวนอิ น, อนทผลัมกันไปทุกจังหวัดแะครับในภาคอีสานแถวภาคเหนือหลายๆภาคนะแล้วก็ประชาชนก็นิยมไปไปเที่ยวตามสวนอินทผ ล, ลัมละไป ไปไปซื้อมาแล้วประทานแต่ว่าราคาก็อาจจะแพงแลครับนะก็ต้องแต่กิโลละส0มบาทจนถึง800ร้อนะแล้วแต่แล้วแต่คุณภาพเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้กําลังบูมนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ า, ถ, าถ้าเกษตรกรมาปลูกกันมากราคาก็จะตกลงนะเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูกันด้วยรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา เพราะว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับว่ามีพสภาว ะ, ะฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภัยแรงกันยาวนะครับในรอบ 30- 40ปีนะโดยโดยเฉพาะในเมืองตัวเมืองใหญ่ๆนะครับแถวภาคอีสานนี่ก็ขาดแคลนนา้นาโดยเพราะน้ําประปาน้ําอุโภคบริโภคนี่ขาดแคลนนะอย่างเช่นอีสานใต้เนี่ทั้งโคราชทั้งบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดอะไรต่างๆนี่ก็มาชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการ ขาดแคลนน้าเพราะฉะนั้นน้ําเพื่อการเกษตรก็อาจจะไม่เพียงพอสําหรับปีนี้นะครับนะซึ่งรัฐบาลอาจจะต้องหันมามามาดูแลนะมาแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนะกันกันอย่างแท้จริงนะครับก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านหลายส่วนไปทําธนาคารน้ํานะครับนะเพื่อที่จะ เอาน้ำนะจากใต้ดินนะมาใช้นะอุปโภคบริโภคหรือว่าจะมาใช้เพื่อการเกษตรก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับในหลายพื้นที่เริ่มเริ่มที่จะทำตรงนี้จะต้องมีมีโครงกา ร, รอื่นๆนะครับที่ที่จะต้องอมาชดเชยกันนะครับนะว่าะจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของการขาดแคลนน้าได้ดังไรเพราะเกี่ยวพันเกี่ยวับเรื่องของการทำเกษตรโดยตรงนะรวมทั้งการ รักษาเสถียรภาพราคาของของพืชทางการเกษตรนะทั้งในส่วนของปาล์มนี่บอกว่าราคาค่อนข้างที่จะตกลงมามากนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องดูนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอมันสำปะหลังหรืออ้อยหรือยางพารานะซึ่งซึ่งราคาก็ยังตกต่ำกันอยู่เนี่ยครับโดยาายางพาราจะจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะตรงนี้นี่คงจะต้อง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 าเทียงแสนองกันกลางระหว่างปมแนะเอาใบหน้าแฟงปิดแดนเสแล้วล่ะนาเอ็นจังใดสิได้เจอน้องคำคืนนายยืนต้ง อ, งองมองบ่งโคงไหลล่อ คงคงหูยอดชูอยู่ใสเขาให้เหตุงานอันใดฉันายบ่ส่งขาวมาฟังไทยอธิปไตยเสรีดีกินดีดม ไปด้วยข้าวผาเจ้าอยู่ยังจำไอคิดทอดลายเวลาเห็นน้ำโขงเอื่อยมาคงเมือง น, น้ำตาจาบันโอ้ฮักไอมีฟังสา ฟ, ฟังพาคืนดีคง ม, มีฮักรู้ ุกสัน